อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินทุว น, นิกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2554ค่ะวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ปีขานนะคะรายการธรรมรัปรุณก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้านะคะซึ่งสำหรับช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น ก็จะเป็นการสนธนาธรรมหรือสาคชากับพระอาจารย์ไทบูลอภิบุโนโ ล, ลุกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัต่สะอาดจิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์ที่เรามาพบกันนี้นะคะ ก็จะข อ, อนําท่านผฟังมากราบนมัสการสนทนากับพระอาจาร ย, ย์ภยยับูรณอภิปุโนโกันอีกครั้งหนึ่งก็ในหัวข้อที่เดชันคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเดนเองซึ่งก็เป็นทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและก็ผู้บังคับบัญชานะคะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านที่เดียวค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของเราและหลายๆท่านก็มีบทบาททั้งเป็น ผู้บงังคับบัญชาเองและก็ผู้ใต้บงังคับบัญชาเองนะคะเรากําลังจะพาท่านผู้ฟังทางบ้านมาสนทนาธรรมอ่าในเรื่องธรรมะของผู้บงังคับบัญชาและธรรมะของผู้ใต้บงังคับบัญชากับพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนนะคะกลาบนำ้ำสกา ร, รเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าขาเจ้ากระยิบป้อนก็อย่างที่คุณเป็นชายพูดถึงนะเนาะ <c oughs> เรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บงังคับบัญชาใช่ไ ที่ตรงนี้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่คือหมายความว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนะอะที่เราศึกษามาเนี่ยจะพบว่า้ทุกชนิดทุกแบบ <Okay. S 1> ตั้งแต่สอนคนทํานายาจกขอทานไปจนถึงกษัตริย์บดีข้าราชการทั้นผู้ใหญ่ <Okay. S 1> มหาอำ ม, มาตย์จนถึงพระราชา <Okay. S 1> สอนหมดถ้าสค์นี่สอนลึกซึ้งไปถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพาน <Okay. S 1> สอนคนทําธุรกิจสอนคนจัดการมันคือสอนทุกอย่างเลย คือมีพระอาจารย์คอรมานะวัดเทพเรติมิมเป็นอธิการอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามุรีรัเนี่ยท่านเคยผู้ส่าคำสอ่งพุทธเจ้าเนี่ยนะเห <c oughs> มือนจะเอาแมคโครโรตสแล้วก็เ1 1วนีเเว่นนี่ยมันรวมไว้ที่เด <c oughs> ียว <c oughs> <ห>เรียกว่าทุากวงจรหมดนะครับมีให้เลือกทุกอย่างเลยเราจะหยิบเรื่องไหนมาเนี่ยพุทเจ้าก็ตอดไปเราเรื่องที่เราตรวจสอบได้ดาา้วย และทําแล้วเราเห็นผลเดี๋ยวนี้เป็นลักของธรรมะเรารู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ซึ่งซึ่งคุณธรรมตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้เลยใช <Okay. S 1> ่ค่ะอย่างเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือว่าเราจะปฏิบัติตัวกับเจ้านายเราอย่างไรลูกน้องเราเนี่ยเราจะปฏิบัติกับเขา อ, อย่างไรออันนี้ก็เคยมีกษัตริย์บดีคนหนึ่งมาถามพระบรมเจ้าคือในสมัยก่อนเนี่ยจะมีพวกพวกครามเนี่ยเขาจะบูชาทิศ แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีพอพระอาทิตยขึ้นแล้วก็เนี่ยสาแต่กันละจุดทู่กันละเห็นไหมเขาก็จะมีการบูชาทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตกแต่ละคนก็เชื่อเป็นกะอยาใช่ไหมบูชาาก็มีพระมบดีคนนี้มาถามมาครับแล้วสมณโคดมบูชาทิศไหมบูชาบอกการบูชาทิศในธรรมะในนี้มีอยู่โดยทิศของบูชาเนี่ยเป็นทิศที่เราต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล ะไม่ไม่ใช่ทิดตามองศาเหนือใต้อย่างนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลคือใครบ้างพ่อแม่บิดามารดามารดาบิดาต้องเกี่ยวข้องแเพื่อนฝูงเราต้องเกี่ยวข้องอบุตรธิดาเราต้องเกี่ยวข้องญาติเราต้องเกี่ยวข้องเจ้านายลูกน้องเราต้องเกี่ยวข้องและสมณพราหมณ์เราต้องเกี่ยวข้องบุคคลพวกเนี้ยเกี่ยวข้องในลักษณะของทิศทง า, ยยางนี้แล้วก็เรื่องของ เจ้านายกับลูกน้องจะเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วพระองค์ก็ได้สอนเอาไว้ระดับแรกก็คือพูดถึงเจ้านายก่อนเจ้ า, านายต้องปฏิบัติกับลูกน้องยังไงใ <Okay. S 2> ช่ค่ะเจ้านายเนี่ยต้องปฏิบัติกับลูกน้องเนี่ยคือที่หนึ่งเนี่ยให้อ่าให้ทํางานตามให้ทํางานตามกําลังใช่ค่ะคือให้ทํางานตามความสามารถนะ ลูกน้องบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้คือได้ทํางานที่ต่ํากว่าความสามารถเขาเนี่ยเขาไม่พอใจใ ม, มันดูถูกความสามารถเขาใช่ถ้าให้มากเกินไปก็จะมาว่าว่าโอ้ใช้งานหนักเย่างแบบเป็อุปชาเลยนะเจ้าค่ะเป็นไรก็แล้วาาก็คือ <c oughs> ต้องให้งานตามกําลังให้งานตามความสามารถแต่เจ้านายต้องฉลาดใจว่าไอ้ลูกน้องคนนี้ทํางานประเภทนี้ได้ แต่อใช้งานประเภทนี้ได้บางคนเก่งในเรื่องการติดต่อสื่อสารและตื็นเต้นใจติดต่อกับผู้คนโอหังซ้ขวาหน้ารับโทรศัพท์ที่เราสองมือได้อีกคนหนึ่งทํางานแบบนี้ไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเอกสารตรวจสอบพวกนี้แต่ก็จะเป็นลักษณะจะต้องรู้ว่าเขาเนี่ยทํางานลักษณะไหนเก่งแล้วก็ใช้งานให้ให้ถูกกับความสามารถเขา ลูกน้องเขาถึงจะอยู่กับเราได้คือพระพุทธเจ้าสรุปไว้ตรงนี้ก่อนนะตอนที่จะพูดถึงคุณสมบัติข้อ ต, ต่อไปนะคือว่าลูกน้องเราเองอ่ะการที่เราปฏิบัติต่อเขาเนี่ยถ้าเราทำกับเขาไม่ดีเนี่ยนะจะมีปัญหาคือเขาจะเป็นไปกับเราได้พระพุทธเจ้าสรุปไว้ว่าถ้าเราปฏิบัติกับเขาดีแล้วเนี่ยทิศนั้นเนี่ยลูกน้องเราเนี่ยเป็นต้นนะจะไม่เป็นไปกับเราวิธีที่เราปฏิบัติกับเขาข้อแรกก็คือว่าให้ทํางานตามคั่ ่สองให้รางวัลให้รางวัลด้วยแต่ต้องมีผลตอบแทนให้เขาตามความสามารถอ่านี้ข้อที่สองก็คือว่าถ้าใช้อย่างเดียวนั้นโอ้โหอย่างกับต้อยดีแต่เงินเน้อยนี่ก็ไม่ได้แต่จะต้องตามกำลังอข้อที่ข้อที่สามพระพุท้าบอกว่าให้ปล่อยให้เป็นอิสระตามสมัยบ้างอืใช่ค่ะให้ปล่อยให้เป็นอิสระตามสมัยบ้างก็คือว่า เราต้องปล่อยเขาบ้างแต่ไม่ใช่ตามชําที่ชําชัยถามแล้วถามอีกเรื่องเดียวถามเช้าถามเย็นอย่างนี้นะบางทีต้องปล่อยให้เขาไปอิสระตามสมัยเรื่องนี้ยังรวมถึงการที่ถ้าในสมัยนี้ก็ต้องมีวันลาให <c oughs> ้และมีชั่วโมงทํางานที่ถูกต้องอย่างนี้นะะจ <c oughs> ึ่จะเรีเยกว่าเหมาะสมเห็นไหมคำสอนด้นวยเจ้านิ่มแบบว่าปัจจุบันก็นยังใช้ได้ทันส <c oughs> มัยหมดเลยผ่านมาหลายขั้นปีนะจ๊ะวะแล้วเรื่องที่ส <c oughs> ี่ก็คือว่าให้ อ่าเเรียกว่าให้ของที่มีรสพิสดารเป็นยังไงเจ้าของะคะองถอย่เงี้ยเดี๋ยวสมมางที่เราไปต่างประเทศไปต่างสมัค ร, รซื้ออาหารมาฝากเขาบ้า ง, งอืมค่ะอ่าซื้ออะไรที่มันรสปหลาดประลาดอย่างเงี้ยยวใครเคยมาฮอดอรเนี่ยจะมีเสียงเรื่องนั้นเหนืองอ่าก็ซื้อไปฝากลูกน้องบางอ้างองเงี้ยค่ะเจ้าค่ะโยงซื้อประจําค่ะที่นี้จะเป็นข้อปฏิบัติที่นายต้องปฏิบัติกับลุกน้องนะคแล้วก็ แต่อีกประการหนึ่งหอย่างก็คือว่าอ่าทําให้เป็นที่รู้จักในวงของมิตรคือสมมุติว่าถ้าลูกน้องคนนี้ดีเนี่ยเราต้องแนะนำํำเขาให้รู้จักในหมู่เพื่อนเร า, าคือเหมือนกับว่ายกย่องเขาด้วยแต<ๆ>่ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยลูกน้องของเราจะไม่เป็นไผ่เรา<ๆ>เขาเรอยกว่าจะเป็นผู้ที่ทิศนั้นจ ะ, จะเป็นที่เฉลี่ยไม่มีไผ่เกิดขึ้นอืมกจค่ะก็เรียกว่าเป็นห้าข้อที่ อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่แจ้งแสดงธรรมว่าว่าถ้าเผื่อเราปฏิบัติได้ดังนี้ทั้งห้าข้อนะเจ้าค่ะก็คือให้งานตามความสามารถหรือตามกำลัง ใ, <ช>ให้รางวัลตามความสามารถเขา ใ, <ช>หให้เป็นอิสระตามสมัยบ้าง<ช>แล้วก็ให้ของที่มีรถพิสดารแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักในวงของมิตรเนี่ยก็ค<ช>ือห <ๆๆ S 2> มายถึงว่าถ้าเราทําได้ทั้งหมดนี้ก็คือเราสามารถผูกใจลูกน้องของเราได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถูกต้องอ่าอย่าง อาจจะมาเคยไปอ่านงานวิจัยสมัยก่อนที่จะมาบว่กนะน่ะเขามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับหัวาน้านกับลูกน้องเนี่ยนะเขาก็ได้ไปทํางานวิจัยของนิตยสาร US Today, <ช> USA News เขาบอกว่าเจ้านายในความเห็นของเจ้านายที่มีต่อลูกน้องนะน้องจะคิดว่าลูกน้องเนี่ยต้องการสิ่งอื่นเพิ่มมากมากอแล้วข้อที่สองต้องการความมั่นคงของงานข้อที่สามต้องการกานเรื่องตาแหน่ง <Okay. S 2> เงิ น, ม, นงง ม, มั่นคงแล้วก็เลื่อนตำแหน่งนี้ตจ้าหน่ายคิดกนะับลูกน้องนะ <Okay. S 2> แต่พอไปถามลูกน้องจริงจริงลูกน้องต้องการอะไรลูกน้องบอกว่าต้องการงานที่มีความสามารถ <Okay. S 2> นี่ลูกน้องเป็นคนพูดนะเขาไปทาําวินัยวิจัยมาเพราะฉะนั <Okay. S 2> ้นในเมื่อหัวข้อที่สองต้องการอ่ให้มีข้อที่หนึ่งคือให้ทำงานตามความสามารถใช่ไหม <Okay. S 2> ข้อที่สองเนี่ยปล่อยให้มีความอิสระ บ, บา้างไในการคิดงานไม่ใช่มาคุมตลอดใน <Okay. S 2> ตอนนี้สอดคล้งองกับบทเรียน้าเลย ใชค่ะทั้งสองขอ้อเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าหัวหน้ากับลูกน้องคิดไม่สอดคล้องกันเนี่ยคุณไปไม่ได้เราอกก่อนอืมใช่ค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นหัวหน้าไปคิดอย่างหนึ่งคิดว่าลูกน้องต้องการเงินอย่างเดียวคิดว่าลูกน้องต้องการเล่นตำแหน่งอย่างเดียวคิดว่าลูกน้องต้องการความมั่นคงของการงานอย่างเดียวมันมันไม่ใช่อืมใค่นะคซึ่งอันนี้บู้เลทาบอกไว้แล้วนะต้องให้เขาทำงานตามความสามารถนะให้พักบ้างให้เงินเดือนตามความสามารถนะแล้วก็เอาแบ่งของที่มีรสตลาดให้อันนี้ก็ คิดว่าปลุกใจลูกน้องได้เลยเพราะว่าลูกน้องมืองทีไม่ได้ไปไหนใช่าหการที่เขาได้ลิ้มของรสตลาดนี่ก็จะเป็นการปลุกใจอย่างหนึ่งเลงย ตอนนี้มีเจ้านายบางคนนะเจ้าค่ะเออันนี้โยมถามเพราะว่าในข้อห้าบอกว่าทําให้เป็นที่รู้จักในวงของมิสอันนี้ก็คงจะหมายถึงว่าถ้าเกิดลูกน้องนั้นทําคุณงานความดีหรือว่ามีผลงานอะไรเนี่ยเราก็ควรจะยกย่องบอกให้คนในที่ทํางานหรือว่าในหมู่เพื่อนฝูงของอ่าผู้บังคับบัญชาเองในหน่วยของเราเองทราบว่านี่เป็นผลงานของคนนี้นะไม่ใช่ว่าไปเอาผลงานลูกน้องมาเป็นของตัวเองหมดหรือว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนทําคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ลูกต่าถูกต่าถูกเต่อาคือว่าอลูกน้องเขาก็บางคนก็ทํางานดีทํางานหนักด้วยแต่มาเพราะนั้นคําชืินชมต่างๆเหล่าเนี้ยก็นอกจากเงินเดือนนอกจากงานที่มีความสามารถแล้วเนี่ยตรนี้ก็จะเป็นสิทธิที่ว่าอจะทําให้เขามีสมาธิในการปฏิบัติงานด้วยก็เรียกว่าถ้าเผื่อเราให้อิสระเขาในการที่จะคิดงานนะคะอย่างอย่างอิสระแล้วก็ ให้ความยกย่องให้ความเชื่อถือเขาให้อิสระในการทำงานมีรางวัลให้ยกย่องชมเฉยเขาอันนี้ก็เรียกว่าลูกน้องโดยทั่วไปหรือผู้ใต้รังคับบัญชาเนี่ยถ้ามีเจ้านายแบบนี้นี่ก็เรียกว่าเราก็มีความสุขแล้วนะเจ้าคะใช่ถ้าเรามีเจ้านายแบบนี้นะแหมจะรักเจ้านายมากจริงๆคถ้าถ้าใครเป็นลูกน้องลองคิดดู ก็เรียกว่าต้องขอทำงานถวายหัวตูกไหมครับใช่ค่ะค่ะแล้วก็อ่าซึ่งซึ่งในห้าข้อนี้พวกอ่านักบริหารจัดการในสมัยปัจจุบันเนี่ย <c oughs> บางทีก็เอาห้าข้อนี้ไปแตกลูปเป็นอย่างอื่นนะวิธีการจัดการทรัพยากรบุคคลอะไรต่างกันก็ตรงเลยนะเจ้าค่ะอย่างเช่นข้อแรกที่พระอาจารย์พิบูลได้เมตตาบอกว่า พุทธปรนะก็บอกว่าให้ทํางานตามความสามารถหรือตามกําลังอันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันก็จะมีคําภาษาอังกฤษบอกว่า put the right man on the right job ก็คือวางคนให้ถูกที่ถูกทางถูกงานไว่างนั้นเถอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาเจ้าค่ะหรือเจ้านายว่า อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทส่งตรัสหรือว่าชี้แจงแนะแนวทางไว้ละว่าควจะต้องปฏิบัติกับลูกน้องห้าข้อที่นี่มาถึงผูดด้ใต้บังคับบัญชาบ้างเจ้าค่ะ ลูกน้องหรือผูอ้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยต้องทํำยังไงเอถึงจะเรียกว่าอ่าทําถูกหน้าที่อย่างที่ผู้เชี่ยวสอนก็นับแรกนะตื่นก่อนนายเขเริ่มทํางานก่อนนายสองอันนี้มาด้วยกันคือเลิกทํางานทีหลังนายอืมจ้ะค่ะสองอย่างนี้มาด้วยกันคือคุณทํางานหนักไปถึงที่โรงงานคุณเห็นลุกน้องคนนี้หนแหะลุกน้องคนนี้ไปก่อนนายจ้ะค่ะเวลาเลิกงานคนนี้กับทีหลัง ค่ะไม่ได้มาที่หลังกับก่อนทําไม้ก็จะไว้ถูกต้องนะค่ะร้อามาก่อนขับที่หลังค่ะอ่นนี่คือคุณสมบัติของลูกน้องที่เราควรจะต้องมีอออืมค่ะถ้าแรกนิยมคิดว่าคล้ายๆกับอ่ที่เขาสอนเวลาผู้หญิงสมัยโบราณที่สอนว่าผู้หญิงแต่งงานนะค่ะต้องต้องนอนที่หลังแล้วก็ตื่นก่อนสามีของตัวเองคล้ายๆกันนะเจค่ะใช่ ก็ยังมีสำนวนในสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็คือลุกขึ้นก่อนแล้วก็นั่งทีหลังสมมติแบบเราไปรับสรเสด็จอย่างนี้ใช่ไหพวกข้าราชการเนี่ยต้องบุคคลที่มาไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอยู่ ห, หรือเป็นพระนายพระรามชีน่าเนี่ยลุกขึ้นาาตุ๊บข้าราชการต้องลุกก่อนพพวก น, กนั่นงแล้วถึงว่านั่งทีหลังอันนี้เนาะก็เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้อันที่สามก็คือทํางานเป็นคําลัง อนที่สามทํางานเต็มกำลังทํางานเต็มความสามารถบางคนไปก่อนจริงกับที่หลังจริงทํำไรก็ไม่รู้เรื่อินเทอร์เน็ตคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแต่เอางานที่บ้านมาทำอันนี้ก็ไม่ได้อ่าอ้นที่สี่นะคะอ่ที่สี่ก็คือเอาแต่ของที่ไหนให้คือเพราะว่าเอาของของที่ไหนให้คือหมายความว่าไม่ใช่เอาของของที่ทํำงานกลับไปที่บ้านของตัวเองถึงไม่เป็นกมยแล้ว่าจะอ่า ข้อที่ห้าก็คือนําเกียรติคุณของนายไปร่ำลึกาค่ะประจันขยายอีกนิดนึงเจ้าค่อที่ว่าไม่ถือเอาแต่ทรัพย์ที่ไหนให้อนะคือเนื่องจากว่าในระบบที่ทํางานเนี่ยเวลาคุณไปทํางานคุณเอาความสามารถคุณไปใช่ไหม <Okay. S 2> แต่ทรัพยากรสังกเนี่ยต้องเป็นของบริษัทเจ้า่ะต้องเป็นของบริษัทบ้านเป็นของที่ทํางานบ้านอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเช่นคุณไปข้าราชการไปช่วยน้ําท่วมอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ยุทธุปรกรณทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นของสังากาดกัดหมด <Okay. S 2> คุณไม่ใช่ว่าไปซื้อกับข้ามาซื้อรถมาใช้งานใช่ไหม <Okay. S 2> ไม่ได้เป็นผู้รับเหมาลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีอุปกรณ์หนาที่เป็นของทางราชการก็ตามหร <Okay. S 2> ือว่าเป็นของบริษัทเราต้องรักษาอย่างดีอย่าเอาไปใช้งานส่วนตัวอย่ า, อาไปใช้ที่บ้าน <Okay. S 2> อ่าแล้วก็ทําเอาแต่ของที่เขาให้แค่นั้นเอง <Okay. S 2> นี่คือบทเรียนสุดที่คุณเจ้ <Okay. S 2> าได้ <Okay. S 2> ตอดไว้ข้อที่ <Okay. S 2> ยาก<ๆ>ก็คือนําเก็บที่คุณของนายไปรับเลือ <Okay. S 2> นะนํนเขตคุณคนนายไปทําเลยก็คือว่าพูดแต่เรื่องดีๆของนาย <Okay. S 2> อย่าพูดเอานายมาแ์อย่ายดีดทานนายว่างั้นเถนะนะอย่าดีดทานนะธรร่า ม, ามีประสบการณ์ตรง <S <S คือเคยสมัยก่อนก่อนที่จะมาบวดกาเนี่ยเป็นธราวาสเนี่ยเราต้องรับสมัครงาน ถ้าพนักงานคนไหนที่มาสมัครงานเนี่ยพูดแต่เรื่องที่ไม่ดีของที่ทำงานทางานตัวเองด่าหัวหน้าเก่าให้ฟังเราจะไม่รับทันทีอืมจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขามาทํางานในบริษัทเรานะเขาก็จะพูดอย่างเนี้ยกับบริษัทอื่นที่เขาจะไปอืมจ้าเพราะฉะนั้นเขาจะเราก็จะถูกเขาด่าจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกคนแบบนี้เลยจ้าที่เขาด่าหัวหน้าเก่าจ้าแล้วคนดีเนี่ยคุณตุลใจเขาจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นอืมจ้าคนดีจะพูดแต่เรื่องดีๆของคนอื่น ยตัวอย่างเช่นอ่าวิศวกรทํางานอยู่ในบริษัทตัวอย่างเช่นนะะ <Okay. S 2> ถ้าคุณทํางานเป็นตําแหน่งวิศวกร อ, อวิศวกรเขาทําหน้าที่อะไรเขาทาหน้าที่เขียนแบบ <Okay. S 2> ทำหน้าที่ไปติดตั้งอุปกรณ์นี่คือหน้านที่วิศวกรแต่ถ้ในขณะที่คุณเขียนแบบไปติดตั้งอยู่เนี่ยคุณออกแบบก็ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรเมิดออกแบบได้แก้ไขเฉพาะหน้ากระมิดเอาลูกคุณไปเป็นอะไรวิศวกรคุณต้องเลื่อนชั้นมาเป็นวิศวกรอาวุโส <Okay. S 2> ใช่ไหมเจ <laughs> ้านายเห็นว่าเขาคนนี้คุณทํา ออกแบบก็ได้แก้ปัญหาก็ได้แล้วไปเป็นวิศวกรมากเป็นวิศวกรอาวุโสพอเป็นวิศวกรอาวุโสแล้วเนี่ยวิศวกรอาวุโสที่ทําหน้าที่อะไรสแกรโครงการถูกป่ <c oughs> ะบริหารงานให้ตรงตามเวลาลติดต่อลูกค้านอกจากติดต่อลูกค้าแล้วเนี่ยนี่คือหน้าที่ของหน้าที่ของวิศวกรอาวุโสคือออกแบบ <c oughs> นอกจากนี้เขายังสามารถติดต่อลูกค้าติดต่อกับผู้ค้าได้ลูกค้าผู้ค้าได้ ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการโครงการแล้วคุณจะเป็นอะไรอภิสมกรองุโส์คุณต้องมาเลื่อนท่าเป็นผู้จัดการโครงการจ้ะเพราะผู้จัดการโครงการเนี่ยจะเป็นคนจัดการประชุมติดต่อลูกค้าและประสานงานกับคู่ค้าต่างๆใในขณะที่คุณเป็นผู้จัดการโครงการเนี่ยติดต่อลูกค้าได้จัดการประชุมได้และติดต่อกู่ค้าได้ ยังสามารถขายโปรเจกต์ต่อไปโครงการต่อไปได้และทำก <okay. S 2> ำไรให้บริษัทด้วย แ, แล้วคุณไปเป็นอะไรผู้จัด ก, การโครงการคุณต้องมาเป็นผู้จัด ก, การใหญ่ใ ช, ใช่ไหม <Okay. S 2> ซึ่งถ้าเราทํางานได้อย่างเป็นความสามารถเนี่ยจนกระทั่งเจ้านายไม่สามารถเก็บเอาไวไ้นั้นนี่คือทํางานตามเป็นกําลังเจ้ค <Okay. S 2> ่ะคนที่จะทำงานเป็นกําลังได้คุณต้องใช้เวลาเต็มที่ต้องไปก่อนต้องลิกที่บ้านเจาค่ะลักษณะนี้คือถ้าเราทํางานดีจนกระทั่งว่า เจ้านายเนี่ยเขาเก็บเราไว้ที่ตำแหน่งนั้นไม่ได้คุณออกแบบก็ได้คุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอยู่เป็นวิศวกรธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องเลื่อนขั้นเป็นวิศวกรอาวุโสถ้าเจ้านายคนนี้ไม่เห็นเจ้านายคนอนานาคนนื่นต้องเห็นถ้าเจ้านายคนอื่นไม่เห็นบริษัทอื่นต้องเห็นค่ะอันนี้คือลักษณะของคนที่ทํางานเป็นกำลังตามความสามารถ <Okay. S 2> คุณตือนใจเราคิดดูคุนใจเป็นผู้บริหารขององค์กรใช่ไหม <Okay. S 2> คุณตือนใจจะเลื่อนตำแหน่งคนที่เขาทำงานตำแหน่งใหม่ยังไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไงคนที่ไม่สามารถจัดการประชุมกับลูกค้าได้ไม่สามารถอ่ามีเขาเรียก ว, ว่าอะไรจัดการกับคู่ค้าได้ก็จะไม่เลื่อนตำแหน่งเขาจากวิศวกรธรรมดามาเป็นผู้จัดการโครงการหรอก <Okay. S 2> เขาต้องทำเงานตำแหน่งใหม่ของเขาให้ได้ก่อน <Okay. S 2> ก่อนที่จะเลื่อนขัน้นดะ้วยนะถูกไหมถือถ้าเขา แสดงความสามารถหรือว่าทํางานอย่างเต็มความสามารถจริงๆแล้วแสดงให้เราเห็นว่าเขามีความสามารถนี่เราก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้รางวัลเขาก<ช>ารความสามารถของเขาใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่าว่าตำแหน่งอย่างวิทย ก, ก, กรก็ต้องเป็นวิทยก ร, รอาวุโสละจากวิทยก ร, รอาวุโสก็ต้องเป็นหัวหน้าโครงการไปเลยเจ้าค่ะถ้าหางานเข้ามาอีกแบบหางานเข้าบริษัทได้อีกนี่ต้องเป็นผู้จัดการใหญ่แล้วนะเจ้าค่ะใช่เ ซ, ซึ่งตรงเนี้อหัวหน้าที่ฉลาดเขาจะ คือการเลื่อนตำแหน่งก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติทันทีจูค่ะเพราะว่าแหละเพราะคุณความสามารถเพิ่มอ่ะคุณความสามารถเพิ่มคุณจะต้องใช้เวลาอย่างเต็มที่ใช่ไหมซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกันทั้งสองส่วนเออแล้วก็ลูกน้องที่ทำงานอย่างนี้เนี่ยนะมีแต่เจ้านายละใช่ไหมเจ้านาก็จะจะรักกันเหมือนกันจู่ค่ะจู่ค่ะ แต่แต่สำหรับเจ้านายบางคนที่ไม่ชอบลูกน้องที่เก่งกว่านะคะอาะจารย์จะให้คติธรรมยังไงบ้างเจ้าคะถ้าเจ้านายคนนี้ไม่เห็นเจ้านายคนนั้นต้องเห็นใช่ไหะแสดงว่าเจ้านายคนนี้ไม่มีคุณธรรมเจ้านายคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามทิศหน้าที่ของตนเองน ะ, ะ, ะยกุยกยก่อเขาได้ว่าอะไระให้แนะนําลูกน้องคนที่ทํางานดีๆเนี่ยในหมู่มิตรหายเอาไม่ได้แนะนำํำแล้วก็มีจิต อิชาที่สยาเนี่ยเป็นอากุศลทำละให้รีบละแต่เขาไม่ละาวแฝงเขาเป็นคนปาดคุนปาดทํางานอย่าไปยุ่งถ <c oughs> ้าเจ้านายคนนี้ของเราเขาไม่เห็นสมมติเราเป็นลูกน้องใช่ไหม <c oughs> ทํางานหนักเต็มที่เลยหน้าดําคร่องเครียดนะเป็นกาลังความสามารถแล้วมาก็ก่อนกลับที่หลังไม่เคยเอาของที่ทํางานไปใช้แล้วก็ทำงานเต็มความสามารถพูดแต่ดีๆของนายแต่เจ้านายนี่มันโอ้โหไม่เคยเห็น ไม่เห็ น, เ, นเลยเลยจ้าหน้ถ้าเจ้านายคนนี้ไม่เห็นอะไรมาจะบอกให้ถ้าเรามีคุณธรรมลักษณะนี้อยู่นะเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเจ้าหนายคนอื่นต้องเห็นถ้าเจ้าหน้าคนนี้ไม่เห็นเจ้าหนายคนอื่นก็ไม่เห็นบริษัทอืน่ออ น, อนต้องเห็นองค์กรอื่นต้องเห็นเพราะว่าเราไม่ดา่าใครคนไม่ด่าคนไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมี <Okay. S 2> พอเราคุยเรือเรามีเพื่อนมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเครือข่ายของเราฉะนัการปฏิสัมพันธของเราก็กระจายออกไปชื่อเสียงของเราก็จะระเบือออกไปคนที่มีศีลเนี่ยมีการทำงานอย่างดีชื่อเสียงของเขาจะระเบือออกไป <Okay. S 2> เขาก็จะมีบริษัทอื่มาเรีตัวไปหรือไม่ก็ไปสู่หน่วยงานใหม่ที่ดีกว่า mm hmm. มันมันไปได้แน่นอนว่ามีคุณธรรมไม่ต้องกลัวเลยค่ะก็เรียกว่าถ้าเผื่อ คนคนหนึเนี่นะคะหรือว่าถ้าเผื่อเราเนี่ยเป็นคนที่ทํางานดีจริงคือเหมือนกับแบบเสมือนเป็นเพชรอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ<ช>อยู่ที่ไหนเนี่ยคนจะต้องเห็นประกายถงกไหมเจ้าคะ<ช>ดังนั้นบรรดาที่เป็นผู้ใต้บัคับัญชาหรือรูปน้องทั้งหลายนั้นก็จะต้องอไม่ต้องกลัวว่าว่าจะไม่มีใครมองเห็นความดีของเราถูมไหมเจ้าค่ะถูกต้อเจ้าค่ะแล้วเราถ้าสมมติว่าเรามาคิดว่าโอ้เจ้านายเราไม่ดีเราไม่ควรทํางนานดีคุณชิดติด อืมเจ้านายไม่ดีเนี่ยถ้าคุณทํางานไม่ดีนะชื่อเสียงของคุณเราก็จะระบือไปว่าเอ้ยคุณนี่ทำงานไม่ดีไม่มีใครเขาอยากได้นะคุณขอย้ายคุณขอเลื่อนคุณขอเปลียไม่มีใครเขาเอาก็ไม่เอาทั้งนั้นเลยนะจอมเพราะว่าคุณทํางานไม่ดีอ่ะแล้วคุณยังนินท้ายเจ้านายตัวเองให้คนอื่นฟังโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเจ้าค่ะอ่าไม่มีใครอยากได้อันนี้เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยทั้งกับ คนที่เป็นเจ้านายหรือเป็นผู้บังคับบัญชานะเจ้าคะกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายหรือบรรดาที่เราต้องเป็นลูกน้องเนี่ยเราจะต้องยึดอะไรได้บ้างก็เวลาในรายการใกล้หมดแล้วเจ้าคะหรือประมาณสองนาทียมอยากขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาย้ำสำรับ กร้จบังคับบัญชาแล้วก็ปรุงบังคับบัชาอีกนิดนึงเจ้าค่ะก็คือห้าข้ออย่างว่าห้าข้อที่ได้ได้กล่าวไปแล้วอันนี้มรวนได้ทําได้อยู่ถ้าจะสรุปง่ายๆเลยนะเอาข้อเดียวที่แบบว่าอ่าไปปฏิบัติได้เลยคือลูกน้องคุณต้องทํางานเต็มกํำลังแ ล, แล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆของเจ้านายเราเจ้านายเองคุณก็ต้องให้ลูกน้องทํางานตามกําลังแล้วก็อมีจิตที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร แ, แฟร์คือจริยธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมต่อลูกน้<ด> อ, งองของตัเององค์กรเราจะไปได้เราต้องดูภาพรวมองค์กรเราจะเจริญขึ้นแลคนรอบข้างของเราก็จะดีขึ้นเมื่อมีทุกคนมีคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยทั้งองค์กรไปได้ใช่ไหมคนรอบข้างไปได้่ประเทศชาติก็จะเอื้อเฟืองขึ้นแน่นอนอืมเจ้าค่ะให้ปฏิบัติกันอย่างนี้เจ้าค่ะจ้าทุเจ้าค่ะก็เรียกว่า พระอาจารย์พัยบุญอภิปุนโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดเ้นสะอาดท่โทภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีก็ได้ฝากธรรมะ ขององค์พระธรรมมา ธ, ธรรมพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในเช้าวันทิตยี่20มีนาคมนี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังในวันนี้คงจะได้แง่คิดอย่างดียิ่งเลยเพราะว่าคนเรานั้นเนี่ยไม่เป็นผู้บังคับบัญชาเขาเราก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นลูกน้อง ไม่กรเป็นเจ้านายนะคะขา้าก็าถึงเวลาที่เราจะต้องอกลาบนมัสการลาพระอาจารย์พิบูลอภิปุนโน พ, พร้อมๆกันแล้วนะคะเร า, าจะกลับมาพบกันใหม่เป็นรายการสากาคือสนทนาธารมกับพระอาจารย์พิบูลเป็นอีกครั้งหนึงในวันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งก็คิดว่าจะมีธรรมะดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยก็ถึงเวลาเรากลับนมัสการขอพระคุณแล้วก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์พิบูลอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาสาธุเจ้าค่ะ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพุนี้เวลาห้านาฬิกาถึงหนฬิกนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ